ระไตปิฎกเล่มที่สิบสีสัจจะวิพังคสูตรธรรมจักรการจำแนกสัจจะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะป่าอิสิ ป, ปตนะเมลึกขทยาวันเขตกรุงพารณสีณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรีกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ธรรมจักอันยอดเยี่ยมตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วบป่าอิสิ ป, ปตัตนะมลึกัยาวันเขตกรุงพารณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามาริรมหรื อ, ครอใครในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี การบอกหมายถึงการบอกว่านี้ชื่อว่าทุกขอริยสัจนี้ชื่อว่าทุกขนิโรธค า, ายมินีปฏิปทาอริยสัจการแสดงหมายถึงการให้อุเทศการบัญญัติหมายถึงการตั้งสัจจะมีทุกขสัจเป็นต้นการกำหนดหมายถึงการให้เนื้อความนั้นดำเนินไปโดยประการต่างๆการเปิดเผย หมายถึงการชี้แจงแสดงเนื้อความตามที่ตั้งอุทเทศไว้โดยการวกกลับมาอธิบายซ้ำอีกการจำแนกหมายถึงการจำแนกประเด็นที่เปิดแล้วการทำให้ง่ายหมายถึงการแสดงประเด็นที่จำแนกไว้ให้ชัดเจนด้วยการชี้เหตุและยกอุทาหรณ์ต่างๆมาประกอบ อริยสัจสี่ประการอะไรบ้างคือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขะอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงคบสบรีบุตรและโมคลานเถิด สาวรีบุตรและโมคลานะเป็นภิกษุฉลาดเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนปรมจารีทั้งหลายสาวรีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมคลานะเปรียบเหมือนผู้บำลุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสาวรีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปติผลโมคลานะย่อมแนะนำในประโยชน์ที่สูงสุดสาวรีบุตรสามารถที่จะบอกแสดงบัญญัติกำหนด เปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสีได้โดยพิสดารพระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้นตรัสวยยากรณ์พาสิตนี้แล้วจึงทรงลุกขึ้นจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปอย่างที่ประทับเมื่อพระผู้มีพระภาพเสด็จจากไปแล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรได้แสดงธรรมดังนี้ ถ้ารรมจับอันยอดเยี่ยมพระตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วคือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ได้แก่ทุกข อ, อริยสัจทุกขสมุทญาอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธาขายมินีปฏิปทาอาริยสัจ ทุกขอริยสัจอริยสัจคือทุกขเป็นอย่างไรคือชาติการเกิดเป็นทุกขชะราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์โสกปริเทวะทุกโทมานตุปายาตเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยยอ่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุก ชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดความเกิดพร้อมความอย่างลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะได้หมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชาติชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่กล้าความมีปันหลุด ความมีผมงอบความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆมรณะเป็นอย่างไรคือความจุดติความเคลื่อนไปจากหมู่สัตว์นั้นๆความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรรตยูการทำกาละ ความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดศูนย์แห่งชีวิตตินซีของสัตว์เหล่านั้นน้นี้เรียกว่ามรณะโศกเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายใน ของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าโศกปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคร่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คร่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คร่ำครวญ ของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะทุกข์เป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สําราญทางกายความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สําราญอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์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 ของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปายาตการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือหมู่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนน้อเราทั้งหลายจึงจักไม่มีความเกิดเป็นธรรมดา หรือความเกิดไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายแต่ความปรารถนานี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์และโดยในยะเดียวกันหมูสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาผู้มีความตายเป็นธรรมดาหมูสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความกร้ามครวญ ความทุกกายความทุกใจและความขับแค้นเป็นธรรมดาต่างก็เกิดนะความปรารถนาขึ้นว่าจะไหนหนอเราทั้งหลายจึงจะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีความเศร้าโศกความเคร่องครวญไม่มีความทุกกายทุกใจไม่มีความขับแค้นเป็นธรรมดาขอความแก่เจ็บตายความเศร้าโศกความเคร่องครวญ ความทุกข์กายทุกใจและความขับแคนไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายแต่ความปรารถนานี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือรูปูปาทานขัน อุปาทานขันคือรูปเวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนาสัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญาสังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขารวิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณเหล่านี้เรียกโดยย่อว่าอุปาทานขันห้า เป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขะอริยสัตว์ทุกขะสมุทัยอริยสัตว์อริยสัตว์คือเหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหานี้เป็นเหตุเกิดในภพใหม่สหรัตะด้วยความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้ น, น, น คือกามตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัญหานี้เรียกว่าทุกขสัมมุทะย์อริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจอริยสัจคือความดับทุกข์เป็นอย่างไรคือความสํารอกและความดับโดยไม่เหลือความปล่อยวางความสละคืนความพ้นความไม่ติดอยู่ นี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจ ท, ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้นั่นแหละได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกความรู้ในทุกขะสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุกความรู้ในทุกขนิโรธความดับทุก์และความรู้ในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก สัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดําริตในการออกจากกามความดําริตในการไม่พยาบาทความดําริตในการไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดคำหยาบ และเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อสัมมากตุมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการประพฤติผิดในกามสัมาอาชีวะเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ รักมิจฉาอาชีวะแล้วเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะข้อนี้ดูได้จากศิกขาและสาชีพของภิกษุซึ่งมีอยู่ในพระสูตรอื่นหลายพระสูตรแล้วนะครับสำหรับในพระสูตรนี้ท่านอธิบายไว้โดยย่อแค่นี้สัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิด พยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นยังฉันทัะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วยังสันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความเกิดขึ้น แห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นยังฉันถ้าให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยผ้าไ ภ, าภาบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวิไนนี้ เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปัสยัญญามีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พึงกำจัดอภิชาและโทโมนัตในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปัสยัญญามีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่พึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ สัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากรามและอากุศ ล, ลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุนั้นจึงบรรลุทุติยฌานที่มีความองใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุตตะฌานอยู่ทั้งหมดนี้คือมรรคแปดนีเรียกว่าทุกขกนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจท่านผู้มีอายุทั้งหลายระธรรมจากอันยอดเยี่ยมพระตถาคต ผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วณป่าอิสิ ป, ปตนะมลึกคาทยวันเขตกรุงพารณสีอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือทรงบอกทรงแสดงทรงบัญญัติทรงกำหนดทรงเปิดเผยทรงจำแนกทรงทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่นี้ ท่านพระสาวรีบุตรได้กล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระสาวรีบุตรดังนี้แลจบสัจจะวิพังขสูตร